พันเนื่องจากว่าเขามีลัทธิว่าเป็นอัตตาเขาก็เลยโต้อตอบพระอัสชิในหน้าเจ็สิบเจ็ดบอกว่านับลงหกบรรทัดเนี่ยนะบรรทัดที่เจ็ดขจาราณีครนก็บอกว่าข้าพเจ้าได้ฟังพระสมณะโคดมเนี่ยนะมีถ้อยคําลัทธิอย่างนี้แมมส์เอว่าโชคไม่ดีบุญหูไม่มีว่างั้นเถิดคล้ายๆแบบเนี้นั้นได้ฟังไม่ดีแล้วแม่ได้ฟังคําชั่วร้ายว่างั้นได้ฟังคําที่ไม่สมควรที่จะได้ฟัง ถ้าอย่างไรนะบางคราวข้าพเจ้าจะได้พบกับพระสมณะโคดมจะต้องเจรจา ก, กันสักหน่อยอย่างไรอาจจะเปลื้องความเห็นที่เลวสาม น, นิจากพระสมณะโคดมซะต้องมีโอกาสไปแก้ลทัที่พระพุทธเจ้าหน่อยนะเนี่ยแม่มีความเห็นคิดได้ยังไงว่ารูปเป็นอนัตตาคิดได้ยังไงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตารำ ท, ทั้งปวงเป็นอนัตตาโอ้ยความเห็นแบบนี้มันต้องแก้ไขกันหน่อยดีเราต้องไปคุยแล้วไปไปแก้ไขแก้ลัที่ เป็นไปได้ยังไงรูปเป็นอนรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นไปได้ยังไงเ น, นี่ยนะเพราะฉะนั้นแม่ได้ยินคำนี้แล้วถือว่าถืว่าอะไรฟังไม่ดีได้ฟังสิ่งที่ไม่สมควรจะได้ฟังเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะเขาเขาพื้นฐานเขาอยู่บนพื้นฐานคาว่าเป็นอัตตาแต่อัตตาของเข า, าอัตตาของเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะ อัตตาของเดรยร์ถีนี่เขาเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้ทำบาปสิ่งที่เสวยผลแหง่งบุญแหง่งบาปอัตตานี่แหละคือผู้ที่ทำกรรมดีทำกรรมชั่วอัตตานี่แหละคือผู้เสวยวิบาหแหง่งกรรมดีกรรมชั่วเขาเชื่อว่ามีผู้ทำแล้วก็มีผู้รับผลนะถ้าคนที่ศึกษาปริญญาธรรมมาไม่ดีเนี่ยฟังแล้วพร้อมที่จะมีลัทธิตามเขาเหล่านั้นก็บอกว่า ท่านบอกว่ารูปใช่ไหมเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะมันจะต้องมีการชั่ระแก้ไขกันอย่างเยอะเนี่ยนะแต่สรุปว่าเนื่องจากว่าคำคำตรงนี้มันเป็นคําสอนของผู้ที่มีปัญญามีความรอบรู้ในปริญญาธรรมเนี่ยนะปะหาตปธรรมสัจจการตประธรรมภาเวตประธรรมเป็นต้นพราะนั้นเขาพิจารณาใครครวญอย่างละเอียดแล้วส่วนสัจจการนิโครนเขาบอกโอ้ฟังไม่ดีมันจะต้องแก้ไขความเห็นอันนี้ของพระพุทธเจ้า ในข้อสามร้อยเก้าสิบสี่สมัยนั้นเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อยองค์เนี่ยนะประชุมกันอยู่ในศาลาที่ว่าราชการด้วยกิจอันหนึ่งก็คือลูกศิษย์เขาทั้งหมดนั่นแหละเนี่ยนะเพราะเขาเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสอนพวกนิครประมาณห้าร้อยคนเนี่ยนะเออขอภไยสอนเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อยคนสัจการนิครณก็เลยเข้าไปหาลิชวีเหล่านั้นแล้วก็บอกว่าขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน ขอเจ้าฤิ์ชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจักเจรจากับพระสมณโคดมแปลว่าวันนี้จะไปโต้วาทะกับพระสมณโคดมวันนี้จะไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ามาไปด้วยกันเนี่ยนะไปโต้วาทากัน คือคือคนที่อวดตัวเนี่ยนะคนที่จำอวดหน่อยเนี่ยนะพวกนี้จะหาบริวารมากเวลาทําอะไรสักอย่างไปแอบทําเงียบๆไม่ไดไ้ต้องหาสมัครพรรคพวกแม้ต้องรู้เห็นเนี่ยนะบอกเขาเรียกอะไรสมัยใหม่โปร่งใสต้องหานักข่าวไปด้วยอย่างเงี้ยนะจะทําอะไรสักหน่อยหนึ่งก็ต้องหานักข่าวไปโอ้ยร่วมกันเนี่ยนะถ่ายทอดให้ประชาชนรับรู้รับเห็นรับทราบเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันเราต้องไปพาพวกเจ้ามาเยอะๆเหมือนน เสร็จแล้วก็คุยต่อไปอีกว่าถ้าพระสมณโคดมจัดตั้งอยู่ตามคําที่ภิกษุชื่ออัศชิสาวกผู้หนึ่งนะสาวกรูปหนึ่งของพระสมณโคดมที่พูดขะแก่ข้าพเจ้าถ้าเกิดพ ร, พระพุทธเจ้าพูดแบบแนวเดียวกันกับพระอัศชินะน่นะข้าพเจ้าจะชักลากถ้อยคาของพระสมณโคดม ตามถ้อยคาของข้พาพเจ้าจะลากเลยเนี่ยนะจะลากลากเหมือนอะไรเหมือนบุรุษมีกำลังเนี่ยจับแกะที่ขนยาวจับขนยาวเนี่ยนะจับขนแกะที่ยาวแล้วก็ฉุดลากไปลากมาฉะนั้นเคยเห็นกันว่าคนตัวกำลังตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมก็เหมือนคือผู้ใหญ่จับผมเด็กนะจับแล้วก็ลากถูหัวลากดึงไปดึงมามันจะลากวาทพระพุทธเจ้าแบบนั้นแหละ หรือมิฉะนั้นเปรียบเหมือนอะไรจะลากถ้อยคําของพระพุทธเจ้าเหมือนในโรงสุราผู้ที่มีกําลังวางวางเสือลําแพนสําหรับรองแป้นสุราอันใหญ่ในน้ําลึกแล้วก็จับที่มุมชักลากไปมาคล้ายๆกับลากอะไรร่อนตะแกรงนะร่อนของอนะ่ะคล้ายๆว่าร่อนของอ่ะนะจับเพื่อจะร่อนนะ่ะจับลากไปลากมาเนี่ยอู้จะลากวาทพระพุทธเจ้าลากไปลากมาเหมือนอะไรเหมือนจับขนแกะลากางั้น ข้าพเจ้าจะสลัดถ้อยคําของพระสมณะโคโดมเสียเหมือนบุรุษที่มีกําลังที่เป็นนักเลงสุราจับภาชนะสําหรับตวงสุราที่มุมตวงสุราอยู่ฉะนั้นโอ้เก่งมากนะจะสลัดถ้อยคําของพระพุทธเจ้าเลยนะแล้วจักฟาดพระสมณะโคโดมเล่นเหมือนอะไรเหมือนช้างที่มีวัยล่วงหกสิบอย่างลงสู่สะบัวอันดึกแล้วก็เล่นพ่นน้ำพ่อนอ่าพ่นน้ําเล่นฉะนั้น พเพรา <months> <lerde> ะฉะนั้นขอเจ้าฤิชวีทั้งหลายจงไปด้วยการขอเจ้าฤิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจักเจรจากับพระสมณโคดมดังนี้นะเนี่ยคือว่าพระพุทธเจ้าต้องแก้ไขนะโดยนิโครเนี่ยหมายเขาปรารถนาจะแก้ไขมากจต่เนี่ยเขาโมมากเลยว่าเขาจะชักลากถ้อยคําจักสลับถ้อยคําแล้วก็จะกฟาดพระสมณโคดมด้วยถ้อยคำเนี่ยนะด้วยวาจาด้วยวาทะเนี่ยเพราะฉะนั้น ก็ถ้าทําได้ตามนั้นก็เป็นจริงอย่างเขาโมะนะบอกเขาจะทะําไงเขาบอกว่าเขาจะให้คนที่พูดกับเขาเนี่ยเงือท่วมไหลโสมออกจากรักแร้เนี่ยนะเขาตั้งใจไว้ขนาดนั้นทีนี้พวกเจ้าลิชวีเนี่ยนะบางพวกก็บอกว่าเพราะเหตุอะไรพระสมณะโคดมจะยกถ้อยคําของสัจจกะได้ที่แท้สัจจกะจะกลับจะยกถ้อยคําของพระสมณะโคดมใช่อีกอู้ยพระบุตรเจ้าเป็นใครดูซิสัจกะระดับไหนแล้วเนี่ยนะพระสมณะโคดมจะรอดหรืองานนี้เนี่ยนะ เสร็จแน่สรจจกะแน่พวกที่หนึ่งเขาว่างงั้นพวกที่สองก็บอกว่าสัจกะเป็นใครมาเป็นอะไรเป็นใครที่ไหนมาจะมายกถ้อยคําของพระผู้ ม, มีพระภาคเจ้าที่แท้พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องยกถ้อยคําของสัจกะนิครนแน่นอนเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะสัจกะนิครนเป็นใครพระผู้ถือเจ้าเป็นใครและสัจกะนิครนเอาอะไรไปชนะพระผู้ถือเจ้าเป็นไปไม่ได้หรอกนะก็แบ่งเป็นสองพวกเรียกว่าพวกถือหางนิครนกับพวกถือหะถือฝ่าย พระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าดูว่าฝ่ายไหนจะชนะครั้งนั้นสัจจกะนิครนอันเจ้าฤิชวีประมาณห้าร้อยห้อมล้อมไปสู่อ น, นะกูตาคารสาราในป่ามหาวันอ่ที่จริงแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เจ้าฤเจ้าฤิชวีเท่านั้นอ่ะนะที่ไปห้าร้อย่ะก็มีประชาชนมีชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยนะได้ฟังข่าวคราวว่าเขาจะมีการโตวาทะโตรัฐที่ใหญ่น่ะนะ ก, ก็จะไปโตกัน ที่สีลังกาก็เหมือนกันเนี่ยนะมีอยู่ครั้งสัมมนาเรรูปหนึ่งเนี่ยนะสัมมนณรรูปหนึ่งก็โตวาทะกับคนนอกาศาสนาเหมือนกันเนี่ยนะโตวาทะชนะก็เลยพุทธศาสาศนากลับมาที่สีลังกาอีกรอบหนึ่งก็เกิดจากการโตวาทะเนี่ยนะนั้นคนแขกเขาชอบโตวาทะโข่งเหมือนกันสรุปว่าทั้งนิกสัจจการนิครนบริวารพร้อมทั้งเจ้าลิชวีห้าร้อยชาวบ้านก็ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยนะก็เข้าไปในป่ามหาวัน ในข้อ395สมัยนั้นภิกษุมากหลายรูปด้วยกันจงกรมอยู่ในที่แจ้ง น, นะนะก็คือหลังจากฉันอาหารเสร็จท่านก็จะมาเดินจงกรมจเจริญกรรมฐานเป็นต้นสัจการนิครนก็เข้าไปถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าเดี๋ยวนี้พระสมณโคดมอยู่ที่ไหนครับพระเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ตอบว่านี่ในอคิเวสนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงสู่ป่ามหาวันประทับพักร้อนอยู่ที่ร่มไม้แห่งหนึ่งโน่นพระพุทธเจ้าอยู่โคนต้นไม้ต้นนูน้นนะครสัจจการนีร้โคนพร้อมด้วยเจ้าฤทธชวีมูใหญ่เข้าไปสู่ป่ามหาวันไปถึงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับแล้วก็ทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งลงณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะไปถึงก็ไปพูดคุยกันก่อนนะตามธรรมเนียมพูดคุยกันเสร็จแล้วก็นั่งลง เจ้าฤชวีทั้งหลายเหล่านั้นบางพวกไปถึงก็ถวายอภิวาตตามอาการของผู้ที่เลื่อมใสน่ยนะผู้ที่เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะพวกนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าก็กราบไหว้เลยพวกแรกเนี่ยนะพวกที่สองก็กล่าวแต่วาจาสนทนาปราศัยแหมอยากหาโอกาสมาพบท่านนานแล้วเป็นต้นเน่ยนะอยากจะพบอยากจะเจอมานานแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรก็นั่งนั่งลงอนะคือได้ยินข่าวคราวเหมือนกันอยากพบอยากเจอเนี่ยนะ พวกที่สามไปถึงปั๊บยกมือประคองอัญชลีแบบนักมวยไหว้นะไปถึงแลยกมือไหว้แล้วก็นั่งลงไอ้พวกที่ยกมือไหว้เดี๋ยวคนอื่นพวกสัมมาทิฏฐิพวกมิจฉาทิฏฐิบอกเฮ้ยท่านไปเห็นพระสมณะโคดมเห็นปั๊บไหว้เลยหรือเฮ้ยยกมือแค่นี้เรียกว่าว่ายด้วยเหรอถ้าพวกสัมมาทิฏฐิเขาโต้มาว่าเอ้าทําไมท่านไม่ไหว้พระพุทธเจ้าเอ้ายกมือไม่เรียกาว่าไว่ายหรอเพราะฉะนั้นไอ้การยกมือของเขาแบบนักมวยไหว้เดี๋ยนะแบบที่นักกีฬามันไหว้บอกโอ้ยชัดได้ทั้งสองอย่างไง ถ้าใครว่าไหวเอายกมือแค่นี้ก็เรียกว่าว่ายด้วยหรือถ้าบ่าว่าทําไมไม่ว่ายเอายกมือไม่เรียกว่าวีกยหรืออย่างเงี้ยเลพวกนี้ก็ประหลมาเกิดไงไม่ทราบแล้วพวกที่สี่พวกนี้เรียกว่าพวกตระกูลเก่าแก่เนี่ยนะอยากจะอวดชื่อเสียงพวกตระกูลของตัวมานานแล้วไปถึงก็ประกาศชื่อประกาศโคตรของตัวเนี่ยนะในท่ามกลางประชาชนเนี่ยนะคือจริงๆแนละ้วมันตัวเองมันตกยากไหมกลายเป็นว่าผู้ดีตกยากะนะ ทีนี้ก็แค่ก็เหลือแต่วงตระกูลเพราะฉะนั้นตัวเองก็อับเรียกว่าอับเฉาอ่ะนะอย่างที่ว่ายุคใดสมัยใดผู้ใดไม่มีทรัพย์ถึงชาติตระกูลสูงก็โดยมากก็ไม่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ตัวเองนี่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าพอเข้าสู่สมาคมมีโอกาสได้พูดก็พูดถึงอะไรพูดถึงความโดดเด่นเช่นชื่อและโคดวงตระกูลของตัวเนี่ยนะส่วนพวกที่5พวกนี้ก็นิ่งเฉยไปถึงก็นิ่งทําไมนิ่งเฮ้ยถ้าคุยกันนะ ถ้าเกิดได้พูดได้คุยกับพระพุทธเจ้าสักวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดไปเยี่ยมเราเราก็ต้องแบ่งอาหารถวายท่านอุ้ยทีนี้ถ้าเจอต้องกราบต้องไหว้ปวดเข่าเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็เลยเฉยๆไม่ต้องไปอะไรก็นั่งโอนแอบลี้ยอยู่ไกลห่างๆหน่อยว่าเงินพวกนี้คิดว่าห่างพระพุทธเจ้าไว้หน่อยดีพวกที่หางก็มีหลายหลายเผ่าหลายพันเน่ยนะศัสตร์โลกเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเป็นอย่างงี้มานานแล้วทีนี้ ถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงไปนั่งรออยู่ที่โคนต้นไม้เนี่ยนะในหน้าเก้าสิบสามน่นะยกคําอธิบายมาสักเล็กน้อยเพิ่มเติมบอกว่าสัจจการนิครเนี่ยนะคือพวกเจ้าลิชวีมีความคิดว่าสัจจการนิโครนั้นนะ่ะจักโต้วาทะกับพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะสัจจการนิโครเป็นใครเป็นยักษ์เป็นพระอินท์เป็นพระพรหมหรือจักโต้ตอบวาทะกับพระพุทธเจ้าได้ขนาด พระอินทพระพรหมเป็นต้นก็ยังไม่สามารถที่จะโต้อตอบวาทะกับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ถามว่านิครนเข้าไปตอนไหนเข้าตอนเที่ยงวันเนี่ยนะพระพิสุท่านก็อยู่ในที่จงกรมทีนี้ฝ่ายพระพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่าไปรอที่นั่งรอที่ไหนที่ร่มไม้เนี่ยนะอยู่ที่ร่มไม้บทว่าเอสาคิเวสนะระขาได้ยินว่าในเวลานั้น่ะคือตอนเช้ามืดวันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าพระมหากรุณาสมาบัติแผ่ข่ายพระยานคือพระสัพพัญญุตยานคือเจริญกรุณาเนี่ยนะหวังที่จะเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ก่อนเป็นลําดับแรกหลังจากนั้นก็พิจารณาด้วยพุทธจักสุนะด้วยสมันตะจักสุพิจารณาสรร พ, พสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจั ก, กรวาลตรวจดูสัตว์ที่ควรจะแนะนําให้ตรัสรู้คือใครพอที่จะบอกพอที่จะสอนพอที่จะประพฤติปฏิบัติตรัสรู้ตามพระองค์ได้บ้าง ก็พระองค์เห็นว่าพรุ่งนี้สัจการนิครนกระว่านิครนนาตบุตรเนี่ยนะเอ่อขอไปสัจการนิครนคันธบุตรเนี่ยจะต้องการเอาพาเจ้าลิชวีมามาหาเนี่ยเป็นจํานวนมากเพื่อจะโต้วาทะกับเราเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ชําชระพระวรากายแต่เช้าตรูมีภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จเที่ยวบินธบัตในกรุงเวสาลีเนี่ยนะกลับจากบินธบัต ท, ทรงรำเรว่าเราจะนั่งในที่สบายเพื่อจะประทับนั่งในบริษัทมีจํานวนมาก จึงไม่เสด็จเข้าไปในพระคันธกุติเนื่องจากว่าพระองค์รู้ว่าวันนี้จะมีคนมาหาเยอะมากก็เลยไม่เข้ากุติเนี่ยนะก็นั่งรอข้างนอกประทับพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งในป่ามหาวันภิกษุเหล่านั้นมาแสดงวัดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นเมื่อถูถกสัจจการนิครนถามก็เลยแสดงที่ประทับของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ประทับอยู่ที่โคนต้นไม้กลางป่ามหาวัน